บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องในทาตุปภาคือหมวดที่ว่าด้วยธาตุนั้นได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงอาศัยดินน้ำลมเป็นต้นมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนนั้น ทำให้ผู้ศึกษาอาจจะต้องคิดคำนึงว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่การที่จะทำใจของตนให้เหมือนกับน้ำกับดินกับลมกับไฟเป็นต้นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายที่จริงก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าหลักการทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในรูปของการขัดเกลคือค่อยเป็นค่อยไปคนเราที่มีพื้นฐานของความเป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดในประโยชน์ซึ่งสามารถให้ความเกื้อกูลเกตนและบุคคลอื่นได้ย่อมอาจที่จะหาความเข้าใจจากสิ่งต่งตางๆแล้วนามาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้ซึ่งข้อนี้เพิ่งเห็นว่า ในหลักทางพระพุทธศาสนานั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เอาเฉพาะธาตุเท่านั้นเอาทุกอย่างที่รอบตัวเราและในตัวของเราเข้ามาเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาพัฒนาจิตใจได้ทั้งนั้นก้อนนี้พึงเห็นตัวอย่างเรื่องของบัณฑิตสามเณรที่เป็นสามเณร น, น้อ ย, อ, ย, อ, ยอายุเพียงเจ็ดดขวบเท่านั้น เลยเดินไปบินทบาทกับท่านอุปชายยะคือภาษาริบุตรพบชาวนาขายน้ำเข้านาสามเณรไม่เคยเห็นถามท่านอุปชายยะว่าเขาทำอะไรพระเทรัก็บอกว่าชาวนาเ็าขายน้ำเข้านาสามเณรก็เรียนถามว่าน้ำนั้นมีเจตนาไหมภาษาริบุตรบอกว่าไม่มีหรอกเณนก็ถามว่า คนสามารถนำน้ำซึ่งไม่มีเจตนาให้ไปสู่ที่ต่างๆ ต, ตามที่ตนปรารถนาได้เชียวหรือภาษารีบุตรบอกว่าเป็นอย่างนั้นเดินไปอีกหน่อยหนึ่งไปเจอช่างสอนดัดลูกศรเนรก็ถามอีกว่าเขาทาอะไรกันพระเถร่ก็บอกว่าช่างสอนเขากําลังดัดลูกศรแล้วก็ย่างกติทไฟดัดแล้วก็เล็งดูว่าตรงหรือไม่ตรง เน่ก็ถามว่าลูกสอนนั้นมีเจตนาไหมปฏิราก็บอกไม่มีเน่ก็เรียนถามว่าช่างสอนสามารถดัดลูกสอนซึ่งไม่มีเจตนาให้เป็นไปาตามที่ตัวต้องการได้เฉยภาษาริบุตรก็ตอบว่าเป็นเช่นนั้นเดินไปอีกไปเจอช่างถากถากไม้เน่ก็ถามอีกซึ่งภาษาริบุตรก็ตอบโดยนยักก่อนจากความคิดที่อาศัยชาวนาขาน้ำข้าวนา ช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากักพายเพียงสามประการเท่านั้นเองสาเนนบัณฑิตก็เริ่มได้ความคิดว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งสามประการไม่มีเจตนาอะไรคือไม่มีความจงใจไม่มีความคิดหรือไม่มีใจอย่างที่คนทั่วไปเขามีกันแต่อาศัยบุคคลที่มีใจ เข้าไปทดน้ำเข้านานได้เข้าไปดัดลูกศรให้ตรงได้เข้าไปถากไม้ให้เป็นวงกลงล้อต่างๆได้ตามที่ตัวต้องการนัภาษาอะไรเรากับเราซึ่งมีใจเป็นของตัวเองจะไม่สามารถฝึกปรือตนเองได้จากนั้นสามเณรก็เรียนพระเถระบอกว่าจะไม่บินสบาตหรอกแต่จะไปบําเพ็ญกรรมาฐาน พระิระก็อนุญาตแล้วก็รับจะ บ, บิธบาตมาฝากเองเนงกลับมาเจริญกรรมาฐานคือเจริญอนาปานสติกว่าพระเิราจะกลับนำอาหารมาได้ก็บรรลุอรหัตไปได้ข้อนี้พึงสังเกตว่าหลักการในพระพุทธศาสนานั้นท่านถือว่าบัณฑิตจะต้องฝึกตนเองการที่บัณฑิตจะต้องฝึกตนเองนั้นก็เริ่มต้นมาจาก ความนึกคิดที่เป็นบัณฑิตคือความนึกคิดของผู้ฉลาดนั้นจะต้องมีความสานึกรู้จากสถานะของตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรในเบื้องตน้นถ้าหากว่าสามารถรู้ตัวเองได้ชัดเจนว่าตนเป็นอะไรในกรณีนั้นก็นาสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ ตรงนี้ที่จริงไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็มีปัญหาในชั้นของการฝึกเปลืออย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าคนผ่านที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนผ่านนั้นเป็นคนผ่านแท้คือพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่ฉลาดแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ฉลาดโอกาสที่จะฉลาดก็มีไม่ได้แต่คนอีกประเภทหนึ่งนั้นแม้เป็นคนไม่ฉลาด แต่สำนึกตัวเองว่าเป็นคนไม่ฉลาดก็สามารถกลับเป็นคนฉลาดขึ้นมาได้นี่ก็คือความสำนึกพื้นฐานเบื้องตน้นที่จะกาหนดทางเดินในชีวิตของตนต่อจากนั้นเมื่อเรียนรู้เมื่อเข้าใจว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความเป็นผู้ฉลาดหรือแม้แต่ความเป็นผู้ไม่ฉลาดแต่รู้ว่าตนเป็นผู้ไม่ฉลาด ก็จะหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่รอบตนเองเข้ามาเป็นบทเรียนศึกษาเรียนรู้หาความเข้าใจจากสิ่งนั้นๆแล้วก็ถือเอาประโยชน์จากสิ่งรอบตนนั่นเอ ง, งนั้นๆการที่บัณฑิตสามเณรถือเอาประโยชน์จากชาวนาไข่นม้มเข้าวนาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้จึงเป็นวิธีการเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลเอาทาต ก็ใดข้อหนึ่งมาเป็นครูเป็นบทเรียนที่จะฝึกปรือตนเองควบคุมจิตใจตนเองท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะโดยแง่ของความเป็นจริงแล้วเราก็เป็นที่ประชุมของาธาตุทั้งสประการมีดินน้ําลมไฟดังที่ทราบกันโดยเฉพาะในกรณีของาธาตุลมนั้นเป็นตัวปรนปรือที่เรียกว่าเป็นกายสังขาร คือเป็นสิ่งที่ปรนปลือหล่อเลี้ยงร่างกายของบุคคลเอาไว้พถ้าหากว่าร่างกายของบุคคลขาดลมก็จบสิ้นกันพระพุทธเจ้า จ, จึงเอาลมซึ่งเป็นตัวสำคัญในการปรนปลือชีวิตคนอีกอย่างหนึ่งนั้นมาเป็นบทเรียนแทนที่จะใช้เฉพาะเป็นลมหายใจลมในท้องลมในท้าลมตามตัวแต่ก็ให้เรียนรู้ลมที่มีอยู่ในภายนอก เเกิดของลมความดับของลมต่างๆแล้วก็ดึงกลับมาหาตัวอีกทีหนึ่งเพื่อหาประโยชน์ที่เหนือขึ้นไปจากสิ่งที่มีอยู่งั้นมีลักษณะเปมอนอะไรมีลักษณะเหมือนการที่บุคคลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่างในลักษณะที่ติดอยู่เฉพาะรูปแบบของสิ่งเหล่านั้นคือทำอย่างไรก็ทากันมาอย่างนั้น ยกตัวอย่างเช่นสูตรในการทำน้ำพริกได้รับการเรียนรู้มาอย่างไรก็ทำมาอย่างนั้นทำน้ำพริกตั้งแต่เด็กๆจนแก่ก็รสชาติเหมือนเดิมนี่หมายถึงการทำไปตามรูปแบบก็ได้ประโยชน์ในลักษณะหนึ่งเช่นเดียวกับการได้ประโยชน์จากลมหายใจแต่ถ้าหากว่ามีความคิดประดิษฐ์ประดอยที่จะหาประโยชน์หาความดีจากน้าพริกถ้วยนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหาประโยชน์ จากน้ำพริกให้ดีขึ้นมีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้นบุคคลก็สามารถทำได้นั่นคืออะไรคือการพัฒนาฝีมือในการทำน้ำพริกโดยเป็นเรื่องของน้ำพริกอย่างเดียวกันนั่นเองแต่อาศัยความตั้งใจความจงใจการพินิจพิจารณาเข้าไปผสมผสานกับการทำน้ำพริกก็มีการเปลี่ยนแปลงรสชาติให้เกิดขึ้นมาได้วิธีการของพระพุทธเจ้าก็เป็นแนวนั้น ที่แทนที่จะใช้ลมเฉพาะเพียงหายใจเข้าออกก็ทรงสอนให้นําลมนั้นเองมาพิจารณาตั้งสติระลึกจูกกระปลมเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งเรียกว่าอานาปานาสติกรรมฐานอย่างที่ประพฤติปฏิบัติกันแพร่หลายแต่เท่านั้นก็ยังไม่เพียงพ อ, อยังสอนให้นําลมนั้นมาพินิจพิจารณาให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วลมนั้นอยู่ในกระบวนการของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการเกิดสืบเนื่องกันไปมีการหนุนเนื่องกันมาโดยลำดับแนั้นที่สุดก็ดับไปดับไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงเข้ามาหาชีวิตได้เห็นว่าชีวิตเราที่ขึ้นอยู่กับลมก็มีลักษณะเหมือนลมคือถ้าหากว่าขาดการสืบต่อของเหตุปัจจัยทั้งหลายแล้วความแตกดับก็จะบังเกิดขึ้นแต่การเรียนในชั้นนี้ออกจะเป็นเรื่องที่สูงขึ้นไปนี่ขึ้นคนบางคนอาจทาได้สัมผัสได้ แต่ยังมีคนอีกเป็นจานวนมากอาจจะสัมผัสไม่ได้อาจจะหาประโยชน์ไปได้ทั้งๆที่ตัวเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับลมจึงดึงลมกลับไปอยู่ในจุดที่ใช้ในชีวิตประจําวันจึงก็หมายความว่าลมที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่นั่นเองแต่พระพุทธเจ้าก็ให้นำเอาสติสัมปชัญญะและความพยายามหรือความเพียรนทั้งทั้งสามประการเข้าไปใช้ให้ระลึกรู้ลม โดยอาศัยความเพียรพยายามเป็นแรงผลักดันแล้วก็ระลึกแล้วก็นำมาคิดพิจารณาโดยอาศัยประโยชน์ในแต่ละจุดดังที่เคยกล่าวมาแล้วเมื่อวันก่อนและแม้ในที่อื่นๆก็ทรงแสดงอย่างที่ทรงแสดงแก่พระราุนเยระว่าดูก่อนราชนิยเธอพึงทำใจเสมือนลมใจเสมือนลมนั่นเป็นอย่างไรคือลมจะพัดผ่านสิ่งต่างๆไป ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามกลิ่นจะหอมหรือไม่หอมก็ตามลมจะพัดผ่านไปแน่นอนในขณะที่พัดผ่านกลิน่นเหม็นกลิ่นเหม็นก็ติดลมไปช่วระยะเวลาหนึ่งแล้วค่อยจางลงจางลงจางลงแล้วก็หมดไปกลายเป็นลมที่บริสุทธิ์อีกเวลาพัดผ่านพัดผ่านกลิ่นหอมก็จะมีลักษณะอย่างนั้นจะมีกลิ่นหอมติดอยูน่นกับลมระยะหนึ่งแล้วค่อยจางลงจางลงแล้วก็หายไป แล้วก็ดึงกลับเข้ามาหาจิตใจว่จิตใจของบุคคลเวลาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุต่างๆในภายนอกซึ่งก็ไม่มีอะไรอื่นไปจากรูปเสียงกลิ่นรสกลทธภผัสที่กระทบทางตาหูจมูกดินกายซึ่งตามปกติแล้วใจจะไปกำหนดหมายในสองแง่คืออภิชาเพ่งเล็งโลภอยากได้ปรารถนาะสิ่งเหล่านั้นกับโภ ม, มนัคือชิงชังต้องการจะให้พินาศไป ความเกลียดชางความระอาก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของความรู้สึกนึกคิดในการกำหนดอารมณ์ตอนนั้นอารมณ์ทั้งสองประเภทนี้ทรงสอนให้เลือกเฟ้นคือหมายความมาให้พิจารณาอารมณ์พิจารณาอารมณ์อย่างไรเพราะอารมณ์คือความดีทั้งหลายนั้นแท้ที่จริงก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันที่ไม่ดีก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันการเลือกเฟ้นการพิจารณาอารมณ์ ที่จะเก็บไว้ภายในใจหรือไม่หรือจะปล่อยให้มันผ่านไปสักแต่ว่าลมเท่านั้นเองกลิ่นหอมก็สักแต่ว่าหอมกลิ่นเหม็นก็สักแต่ว่ากลิ่นเหม็นเท่านั้นการจะกําหนดว่าอารมณ์อย่างไรควรเก็บไว้หรือไม่ควรเก็บไว้นั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ทรงสรุปไว้เพียงสีสีแนวด้วยกันในแรกก็คืออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด อย่ากำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองซึ่งก็หมายความว่าถ้าอารมณ์ใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดในอารมณ์ต่างๆก็ให้เก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ระวังใจแม้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งควา ม, มาาขัดเคืองซึ่งหมายความว่าอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งความเมตตากรุณาก็ต้องรักษาไว้ ระวังใจไม่ให้ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงซึ่งหมายความว่าอารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อเหตุผลเพื่อความดีเพื่อปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาก็เสริมสร้างอารมณ์แบบนั้นเอาไว้ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาซึ่งหมายความว่าอารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อความตื่นอยู่ความมีสติความระลึกรู้ในเหตุผลต่าง ๆ, ๆก็เก็บรักษาอารมณ์ล่า น, น, นั้นเอาไว้ แต่การจะเก็บรักษาหรือการจะสละอารมณ์จําเป็นจะต้องมีปัญญาเข้ากากับเข้าไปวิเคราะห์สอดส่องอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ละอารมณ์ที่ควรละรักษาอารมณ์ที่ควรรักษาเอาไว้เช่นเดียวกันแม้ในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะมีอารมณ์เกิดขึ้นในสองแนวอย่างนั้น จำเป็นจะต้องระลึกรู้อารมณ์หรือวิเคราะห์อารมณ์ว่าอารมณ์นี้เป็นอุปสรรคต่อความสงบหรือเกื้อกูลต่อความสงบอารมณ์ใดเกื้อกูลต่อความสงบก็รักษาไว้อารมณ์ใดที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบก็สละละไปบทเรียนจากลมในลักษณะที่ให้จางไปของกลิ่นของสิ่งต่างๆที่ตนพัดผ่านไปนั้น เน้นไปในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดเกิดเคืองรุ่มห ล, ง, ลงมัวเมาคือปล่อยให้จางไปพัดผ่านไปติดไปหน่อยหนึ่งแล้วในที่สุดจางไปก็หายไปการพูดนั้นง่ายแต่ เ, เมื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติยากเพราะอะไรเพราะเชื้อภายในใจของคนนั้นมีเชือ้อกรรมธาตุคือเชื้อความไข่อยู่ก็มากพยาบาทธาตุเชื้อของความพยาบาทก็มากโมหธาตุเชื้อของโมหะก็มาก แล้วเมื่อแกไปได้เชื้อบวกมาจากภายนอกแกรีบบวกในทันทีทันใดเพราะความไวของอารมณ์และเชื้อภายในมีมากมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับไฟที่ลุกไหมอย่างรุนแรงมีความร้อนแผ่ไปในที่ไกลเวลาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเชื้อของไฟเข้ามาใกล้แม้จะไม่ถึงไฟแกก็พร้อมที่จะไม่เตรียมแล้วก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ อารมณ์ที่ผ่านมาภายนอกก็มีลักษณะอย่างนั้นเนื่องจากภายในใจของคนมีเชื้อไฟทั้งสามกองดังกล่าวแล้วพอมีอารมณ์ผ่านมาใจก็มักจะกำหนัดที่สวดมากว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจซึ่งแต่ละไยของการกําหนดนั้นพร้อมที่จะเป็นเชื้อของกิเลสสายโลภะและของสายโทสะ วิธีที่จะแก้จึงทรงสอนในแนวที่พยายามไปโดย ล, ลํำดับซึ่งก็หมายความว่าคล้ายๆกับค่าศึกบุกบ้านเมืองแกจะบุกมาทางชายแดนเราไปปิดกั้นไว้ชายแดนค่าศึกบุกมาได้ก็ต้องตั้งค่ายรับไปเรื่อยๆจนมาถึงกำแพงพระนครก็ปกป้องพระนครเอาไว้ถ้าเกิดบุกทะลวงมาได้ก็ต้องตั้งยันตรงใดทรงหนึ่งไว้ได้สักแห่งเพื่อจะรักษาบ้านเมืองเอาไว้ให้ได้ การคุ้มครองจิตใจก็เหมือนกับคุ้มครองนครคุ้มครองบ้านเมือง น, นั่นเองอารมณ์ที่ผ่านเข้ามานั้นจึงมีหลักคล้ายๆกับเป็นกองทัพที่คอยสกัดกั้นข้าสึกกระไว้ถึงสี่ช่วงด้วยกันทีจริงก็เป็นห้าช่วงช่วงแรกนั้นก็คือช่วงไม่ใส่ใจคือสักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ําสักแต่ว่าลมสักแต่ว่าใครสักแต่ว่าเสียงไปเคอสักแต่ว่าให้ตกไปตั้งแต่ตอนต้น แต่ทั้งนี้ท่านั้นหมายความว่าอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดกระเกรืองลูกหนุ่มมัวเมาเท่านั้นประการที่สองถ้าแกยังค้างอยู่ภายในใจก็ทรงสอนว่าอย่าอุ้มอย่าอุ้มอารมณ์ลักษณะการอุ้มนั้นเห็นได้ชัดเพราะต้องการให้เกิดเป็นภาพผู้ฟังฟังแล้วเห็นได้ว่าการอุ้มนั้นหมายความว่าทำยังไง คือการประคองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ในมือทั้งสองของตัวเองเช่นการอุ้มเด็กหรืออุ้มวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นต้นเวลาเราไปไหนสิ่งที่เราอุ้มก็ไปด้วยเดินก็เดินอุ้มไปนั่งก็นั่งอุ้มไปใจของบุคคลที่อุ้มอารมณ์ซึ่งเป็นเชื้อทั้งสี่ประเภทดังกล่าวแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนั้นสมมติว่าเกิดความกำหนัดจะเกิดความโกรธ ใ g r ไปโกรธแล้วไปกําหนัดแล้วครั้งแรกก็ทิ้งไปไม่ได้คือสักแต่ว่ารูปเสียงไม่ได้เข้ามาอยู่ที่ใจก็อย่าอุ้มหมายความว่าต้องพยายามปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นเสียให้ได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งแต่ควรจะเป็นการปล่อยวางในเวลาที่เร็วพอสมควรเหมือนอะไรเหมือนกับคนที่โยนสิ่งศกดิ์ปลศมาให้เราพอรู้ว่าสิ่งสกรปรกต้องรีบทิ้งไม่ใช่ไปกำไว้ ให้มือแปดเปื้อนมากยิ่งขึ้นประการแรกถ้าเกิดยังอุ้มไว้อยู่ก็ส่งสอนไว้ต่อไปว่าอย่าต่อต่อเจนว่าเกิดโกรธใครขึ้นมาแล้วก็อุ้มความโกรธเอาไว้นั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมคลายความโกรธก็ส่งสอนอย่าต่อต่อ เช่นว่ามีการด่าตอบคนด่าประหารตอบคนประหารประทุษร้ายคนประทุษร้ายถ้าทำเช่นนั้นจะก่อให้เกิดเรื่องใหญ่โตมากยิ่งขึ้นเป็นเวรเป็นภัยมากยิ่งขึ้นทีนี้สมมุติว่ามีการโต้อตอบไปแล้วหยุดยั้งไว้ไม่ได้กำลังธรรมะมีไม่มากพอจิตใจอ่อนไหวก็อย่านำมากลัดกรุ้ม ให้เรื่องเป็นผ่านไปแล้วเพราะยังไงยังไงก็ตามไปแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไม่ได้เรื่องก็ผ่านไปนานแล้วหรือในกรณีของการโต้อตอบนั้นอาจจะเป็นเรื่องของความคิดก็ได้เช่นอะไรเช่นเกิดไม่พอใจต่อคนใดคนหนึ่งจากคำพูดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็โต้อตอบคือดึงเชื้อต่างๆขึ้นมาวันนั้นคนนั้นก็เคยพูดจากนั้นเคยทาอย่างนั้น ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นเชื้อของโทสะทั้งหมดโทสะก็จะเพิ่มมากขึ้นภายในใจคำว่าไม่โต้อตอบบางการณีจึงหมายถึงการไม่เพิ่มเชื้อของอารมณ์ให้ลุกไหม้จิตใจมากนะักสมมติว่าหยุดตรงนี้ไม่ได้ก็ทรงสอนว่าอย่าบังหวนขวัญสำนวนใช้คำว่าอย่าบังหวนขวัญคือหมายความว่า อย่านำเรื่องเหล่านั้นมากรัดกรุ้มให้เกิดความเร่าร้อนจนแผดเผาต่อจิตใจตัวเองซึ่งกิเลสประเภทต่างๆนั้นจะมีลักษณะแผดเผาแล้วกรัดกรุ้มไม่ว่าจะเป็นสายราคะอยากได้พอใจปรารถนาต้องการหรือโทสะไม่ยินดีไม่พอใจปะทุสไร้ายหงุดหงิดอาฆาตพยาบาทก็ตาจะมีลักษณะกัดร ก, สสกรุ้มก็สงสรอยากกรุ้ม ลักษณะกลุ้มถ้าเปรียบเหมือนการที่คนก็โยนของให้เราทิ้งไม่ได้เราําไว้ก็หมายถึงว่าเป็นการโต้ตอบแต่ก็อย่าถึงกลับไปกดไว้ให้แน่นหรือว่าไปขย้ำสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะทําทให้ไหมมากยิ่งขึ้นแปดเปื้อนมากยิ่งขึ้นสมมติว่าทําไม่ได้ในตอนนั้นอย่าลุกโลง การลุกโพล่นั่นคืออะไรคือการอัดทั้งสช่วงของความคิดด้วยกันเข้ามาแล้วก็กลายเป็นความลุกเพลิงเป็นการเพิ่มเพลิงทั้งสามด้านคือด้านราคะโทสะโมหะขึ้นมาเพราะอะไรเพราะถ้าถึงจุดนั้นแล้วออกมาข้างนอกแน่แล้วจะต้องมีการกระทำผิดทางกายทางวาจาโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งการปฏิบัติโดยไนยนีเริ่มต้นจากความคิด โดยทำจิตใจเสมอด้วยลมคือไม่ให้เกิดความยินดีและความยินร้ายจนเกินไปเหมือนกับลมที่พัดผ่านสิ่งต่างๆไปทั้งดีและไม่ดีสิ่งเหล่านั้นอาจจะติดไปหน่อยแล้วก็จางลงจางลงแล้วก็หมดไปใจของคนที่สามารถทำได้เหมือนลมในจุดนี้ผู้ปฏิบัติก็จะพบความจริงว่า สิ่งที่เรียกว่าความความกระตุ่มทิตกกลงบนเดือดร้อนห่วงใยอาลัยเศร้าซ้อยขวอยควา้าต่างๆก็จะสงบลงทำให้คนสามารถใช้ชีวิตเผชิญหน้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพลังจิตใจแทนที่จะถูกแบ่งแยกไปอยู่ที่อดีตหรืออนาคตแต่จะมากำหนดอยู่ที่ปัจจุบันมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับน้า ซึ่งถูกแบ่งแยกไปสามทางกับไม่ถูกแบ่งแยกคือมาอยู่ในทางเดียวกระแสน้ำก็ดีความรุนแรงก็ดีผลประโยชน์ที่จะได้จากน้ำก็ดีก็ย่อมมีมากกว่าชั้นใดก็ดีจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะฉะ น, นั้นคือถ้าไม่ถูกแบ่งแยกไปเพราะอารมณ์ในอดีตเป็นต้นคนก็พร้อมที่จะอยู่โดยปัจจุบันนธรรม แล้วก็กําหนดระลึกยู่ที่ปัจจุบั น, นทำเวลาประสบกับลมต่างๆเป็นต้นนั้นก็พร้อมที่จะเรียนรู้หาความเข้าใจจากลมเหล่านั้นคือจะเรียนจากด้านดีก็ได้ด้านไม่ดีก็ได้แต่ทั้งหมดเป็นการดึงเข้ามาหาตนเองแล้วมาแก้ไขสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง เมื่อเป็นการปฏิบัติที่มีลักษณะเสริมสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจได้เช่นนี้เวลากระทบอารมณ์ต่างๆที่มาจากภายนอกเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจใจของบุคคลก็จะไม่เกิดยินร้าย เมื่อไม่เกิดยินร้ายก็ไม่มีความไม่ยินดีไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความโกรธไม่มีความประทุสร้ายไม่มีความอาฆาตไม่มีความพยาบาทการที่ทรงเรียงกิเลสในแนวนี้เราจะเห็นอีกแนวหนึ่งว่ามันมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยลำดับแต่ถ้าจุดเริ่มต้นไม่มีจุดปลายต่างๆที่พูดกันนั้นก็ชื่อว่าไม่มี แต่ถ้าเริ่มต้นมีจุดกลางต่างๆก็จะมีความเข้มข้นโดยลําดับแล้วก็ตกตะกอนกลายเป็นพยาบาทพอเป็นพยาบาทแล้วก็เป็นปัญหาทางใจเพราะไม่อาจจะแก้ไขได้ง่ายๆซึ่งบางครั้งแกส่ส ง, งบอยู่ภายในบางครั้งแกฟูกขึ้นกลุ่มรุมใจส ง, งบอยู่ภายในก็กลายเป็นพวกอนุสัยเกิดกลุ่มรุมใจก็กลายเป็นพวกนิวัณ อาจเข้ามากๆออกมาข้างนอกก็เป็นทุจริตนั้นคือปัญหาในชีวิตของบุคคลที่ทําอะไรไปตามแรงดันของกิเลสสายนี้การปฏิบัติกรรมฐานที่ทรงสั่งสอนนั้นจึงเน้นอยู่เสมอในจุดที่เรียกว่าถ่ายถอนอภิชาโทมานต์ทาไมจึงมุ่งถ่ายถอนที่อภิชาโทมานต์เพราะอภิชาโทมานต์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนมาก อยากได้ปรารถนาต้องการยินดีไขว้คว้าอารมณ์ต่างๆคว้าอาดีตบ้างคว้าอนาคตบ้างคว้าปัจจุบันบ้างเกิดเป็นอาการที่เรียกว่าพรุมพรังขึ้นมาทางจิตใจแต่ถ้าเริ่มที่ไม่กำหนัดในอารมณ์ดังกล่าวทุกอย่างที่เป็นกระบวนการของกิเลสสายนี้ก็จบอภิชานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องพูดถึงเพราะต้องไม่เกิดแน่นอน แต่ถ้าหาก็มีการกำหนดในสายหนึ่งรือไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอีกิเลสสายประเภทโทสะหรือที่ทรงใช้กรรมโทปนัดก็จะบางเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อบุคคลสามารถทำใจเมื่อลมได้คือใครจะทำอะไรจะพัดผ่านอะไรจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรไม่มีทั้งความยินดีและความจริงใจสามารถทาใจให้ส ง, งบอยู่ได้ท่ามกลางความว้าวุ่นสับสนต่งตาง อย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งเป็นพุทธอุทานเมื่อคราวที่ประญาติของพระองค์กําลังจะทําสงครามแย่งน้ําในแม่น้ําโรยนีกันก็เป็นอนุสติเตือนใจคนอื่นด้วยและเป็นการวิเคราะห์ถึงประไทายของพระองค์ด้วยว่าในขณะที่คนอื่นก็กําลังวุ่นวายกันด้วยการเบียดเบียนประทุษรายกันพระองค์ไม่วุ่นวายกับเขาก็อยู่เป็นสุขดี ในขณะที่คนอื่นกำลับบงฆ่าการพระองค์ไม่ฆ่าก็อยู่เป็นสุขดีนี้ก็เป็นการมองในมุมของการเปรียบเทียบว่าการกระทําอะไรไปตามอำนาจของอารมณ์คือแรงดันที่เกิดจากกิเลสเป็นเหตุแห่งเวรแห่งไยแห่งความทุกข์แห่งความไม่สงบแต่ด้านหนึ่งนั้นคือความสุขความสงบอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำใจของตนเป็นประดุษแผ่นดินเป็นประดุษน้าและเป็นประดุษลมซึ่ง เป็นองค์ประกอบของชีวิตของบุคคลแต่ละคนนั่นเองแต่น้นการทำใจเสมอด้วยลมจึงเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่จะเพิ่มพูนคุณภาพของชีวิตจิตใ จ, จและเพิ่มพูนความสุขความสงบให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่เหตุที่ได้ประกอบกระทาลงไปต่อจตกนี้ไปเขาให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป